ในตอนปลายสมัยธิทกาลนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับพระชนมายุของอบรมศาสดาตามความเข้าใจของเราทัาพุทธเจ้ใจระววาพระบรมศาสดาดับขันธพิรุิทานเมื่อพระนม์ได้ิเดแล้วย่างเขาตีแต่เด็ยังไม่เป็ดับขันธพิรุณทานในตี น, นั้นไม่ใช่แต่สิบขัว อัตอนทีระพทธถึงประเด็นนี้อันนำเรื่องมาถประเด็นหนึ่งถึงจะได้นักยะในตอนท้ายนั้นก็ต้องเล่าทุกคนก่อนว่าในปีที่พระพูทมีพระคามีปร ะ, าา ม, ประมายุติในแปดสินั้นในข้อใจว่ า, ร, า, ะ ร, ร, าระยะเึ้นปีที่ขึ้นเต็มเขามีข้อความประเฤติมาลีธรรมเกศปีศุกราวถึงพระเจ้าประเพณีเต็ม ราพันแห่งแต่เจสเได้เดินทางไปต้ภาษาชนิดจีนนะในกระสตนนี้เลยเข้าใจนวดนวดที่เป็นดุบาต ท, ทั้งสองแล้วก็ชทิพปนบา ท, ทั้งสองขาดพระพุทธเจ้าประเสริฐทิพย์ขาดพระพุทธเจ้าประเสริฐทิมีความเล่อมใสในกระสุนเยอะมากทีนนะ ถรสาทสดาจึงตรัสถามพระเจ้าเปรสที่ว่าดูกรมหาราชเหตุทีที่องค์มดีดวรดนความในรุงอย่างยิ่งใ น, นสถานคดถึงปานที่นี้พระเจ้าปรสทุกข์พัรนาตั้งที่ศึกจึงโ ด, ดยอริยาต่างๆเป็นข้อข้ต่มีข้อตอนหนึ่งว่าพระจ้มีพระพามีพระชนมากแ ด, ดสิบไม่หม่อนถามมีพระชมายุเกแดสิ ก็ที่มีค่าเป็นชาวโต้สนแม่หมอนขันก็เป็นชาวโต้นนส น, ตนข้อจังอวะนี้นนปรากฏว่าพระเจ้าประสงค์ที่โต้สนเมื่อออกจากที่ใต้แล้วราชโอรสเชื่อกาิเชื่อพระเป็นขบวนต่อพระราชบิดาจุดประตเมืสารคือมาให้ครอบเขช่วยจึงพระราชสมบัติ พระเจ้าพระพิเศษที่เกย์เตงเงยไต้กเกย์ะเมือตอนหวังที่จะมาพี่งหลานชายของพระเจ้าไอ้ข้าสตรีที่มราชสตร์ในท่นมาพดแล้วก็เลยมาเป็นแบบเพลิงพดเพลิงนอกกระตเมืราชสตร์เองเพราะว่าแต่ข้าชรามากแล้วตั้งแต่สิบปีเดินทางข้ามประเทศมาข้ามนครมาดุกป่าป่าเดินมาเป็นเวลาหลายวันข้าวปราอาหารก็ไม่ได้ตกถึงท้อง คามลา ก, ากรากลัระกอบตะทั้งความเสียหายที่ทรุนแรในรัฐจีนอักตันยูเป็นกบฏเขาสมกันเข้าแล้วก็อากาศในคืนวันนั้นก็เป็นอากาศหนาวเย็นเขาสมกันก็เลยเป็นเหตุให้พระเจ้าเกษมพิสุวรรณฤทธิ์ในวันรุ่งขึ้นข่าวอันนี้ก็ไปถึงพระเจ้าอชาติสตรีที่หลานอยากจะมาถึางโอรุก็ได้แต่พระมรมรมาเก็ดไปแล้ว จึงได้จัด ก, การกับพระบรมศึของพระอิยาตารเอาขอเที่ยวไปจากพระอิยาต า, า, เ า, า, ยาเป็นข้าเิตันะครับเปนี้เป็นมือเมาตราตระแล้วก็ถ้าห า, าว่าโดฐานะในปัจจุบันแล้วก็เป็นพ่อเขยอะเ้าช า, วชาตว์ด้วยพระเจ้าอชาัตนะะาได้หาลมาเป็นมที่เป็นมิตระัตรีเทวีได้อภิเษกกับเป็นมิตรบัตรวี เพราะฉะนั้นเดยตาก็เป็นหลักเป็นข้นนนางาาพ่อตาเขาไม่ใช่อายารศัตรูแล้วก็เป็นข้างลินเป็นเจ้าลินเขาไม่ช่อายารศัตรูเรื่องความตอนนี้ก็บอกไปว่าพอเจ้าไทยพูธพระทิงราชสมบัติสำเร็จโดยยกกองทัพไปตีเมืองกระบิลพัดกำจัดข้วตะเยงกยจำจัดขั้วตกเยนทำลายเมืองกบิ่ลพัดโดราบโดยทีเดียว เหตุการณตอนนี้เกิดขึ้นในปีที่พระพุทธองค์มีประชนมายุแล้วแปเพราะฉะนั้นเหตุการณ์กรณีพานจะเกิดขึ้นในปีเดียวกันนั้นไม่ได้เพราะในขณะเมื่อวันเวลามันขณะ ท, ที่ที่พระพระม า, มากาจัดพวกตะกายลมก็ดีหรือที่พระเจ้าประเทที่โกงถูกลูกชายเป็นธรรมบดกำจัดโดยจากราชสมบัติก็ดีทั้งนั้นจะเกิดขึ้นในปีที่ททเดียวกับที่พระพุทธเจ้าลีพานไม่ได้เลย พระพุทเจ้าท่านมีทานในปีเมื่อพระชนย่างเข้าแปดสิบเด็ดแล้วไม่ใช่แปดสิบย่างเข้าแปดสิบเด็ดแล้วต้องขับไปอีกปีหนึ่งคือปีหน้าปีหน้าหลังจากที่เหตุการณ์ไม่ร้ายต่างๆไม่เกิดขึ้นปีหน้าจึงจะมีทานได้ดับขันธจะไปริ่องมีทานในปีนั้นได้ตามที่รับเข้าใจกันทุกทีไปว่าเมื่อพระชนแปดสิบมีทานพระชนแปดสิบมีทานนั่นเพราะว่าเราเป็นความเข้าใจที่ถือเอา วันเล็กเต็มเนลูกเป็นเลกที่เริ่ตัวอยู่แล้วจาง่ายจาง่ายไม่ยุ่งยาก้าไปจํสพดโต้พูดเลยที่แบบแปดสิเดไปสิสองเนี่ยจำยากเพราะฉะนั้นเลยตัดสิทธ์ให้เรตัวว่าแปดสิเอางั้นไม่กี่แปดสบแต่ความจิงที่ปราตัวที่เล่เามาในหลักฐานในธรรมจิติติสุทธก็ดีหลั ก, ลกฐานที่ทกทาวิชูสกทา ยกกองทัพไปจาําจัดปัทยวงยังมีตะเบญพาสก็ดีโูยว่าเหตุการณ์ทั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมในปีประสุทธิรประยิมพันพระพิฆมิทพ่าต้องสเสด็จมาห้ามทัพไปทาวิถีศพระถึงสาครั้งโดยเสด็จประทับอยู่ที่โคนต้นไม้ใบโฉมในทางที่กองทัพไปทางวิถีศพระจะผ่านในขณะเดียวกันกับมีต้นไม้ที่มีร่มไม้ใบหนาอยู่ข้างๆเป็นหลายตน้นสไปทางวิถีศภาพพอเห็นพระพิฆมิทั่าอยู่อย่างนั้นที่ชายแดน ระหว่างขั้นศักกะกับขัน้นโกรธนก็ไม่กล้าจะยกกองทัพห้ามแดนไปด้วยความเกรงพระหฤทัยเกรงพระบรมศาสดา น, นึกในใจว่าพระศาสดาต้องสเสด็กมาคุ้มครองพระญาติของพระองไวยวามเกรงพระบรมีก็เลยต้องเลิกทัดกับทุกครั้งมาในครั้งที่สุดท้ายพระพองค์เลยงยามแล้เห็นว่า ห้ามไม่ได้แล้วเป็นผล ก, การามของบรรดาปตรีโยงในอดีตชาติที่เคยดื่อยาลงในใน้ำให้ปลาเต่าตาใเมืองมหาศาลผล ก, กรรมอันนี้โดยตามมาสนองจะได้เพราะฉะนั้นกินไม่อาจจะห้ามได้จินไม่ได้กดดระดมาประทับห้ามกองทัเพเจ้าชายอุทภะอีกกองทัพเจ้าชายอุทภะกินหญ้าปลาข้าวบะเบนงูกริยงพัดแล้วก็ฆ่าฟันขยาตีเริงของพระพุทธองค์เยอะมากกว่ามาก เรื่องราวเรื่องราวตอนนี้น่ะต้องเกิดขึ้นในตีที่พรพุทธเจไปทรงตัดิดนะแล้วเรามาเทียบเทียบในบาลีมหาวิหารนะครูเริ่มต้นก็กล่าวถึงที่ประทับของพระพุทธองค์ว่าอยู่ที่แขวนมือราชคลึกในแผลในแป้นมคตก็เรื่องราวอันนี้เน่ะเกิดขึ้นในตอนต้นตีต้นตีที่ประทับที่มือราชคลึกตรง น, นี้ในต้นตีอันที่ประทับที่มือราชคลึกนี้ว่าจะเป็นกลางตีก็ดี เราเล่าสร้าตัวกดีที่ประทับที่หนึ่าจะคลิปนั้นน่ะจะเป็นเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันพันเดือนไปท้องกับเหตุการณ์ที่เกิดกับพระเจ้าประสงค์ที่ไม่ด้อย่างน้อยจะต้องลำดับเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดกับพระเจ้าประสงค์ที่กับลูกชายยุธยาภะกำจับปะยโยงนั้นต้องเป็นเหตุเกิดขึ้นราเลต้นเตเมื่อพระชนมายุของพระพุทธองค์โดยแปลกิต้นจริงนะหลังจากเหตุการณ์อันนั้นผ่านไปแล้ว พระพุจ้าได้สเสด็จจากข้นตู๋ถึงมาประทับอยที่แฉลบมือราชเกมาประทับที่แฉลบมือราชเกิดเราเรากันกลางตีเชิญก่นก่อนจะเข้าครรษามาประทับที่มือราชเกิดระหว่างที่ประทับที่แวลบมือราชคกิดนเนี่ยก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นขึ้นว่าพระเจ้าอาชาสปูรุตุ้งเติงประทัดทังมะมะโคทังตู๋ถึง เพาเวลานัาน้นเจ้าชายวิภะเมื่อตํจาจัดปัยโยงแล้วผลกรรมประตา ม, มาสนองพรกคงอยู่ที่ลินปังในน้ำเกิด น, น้ำท่วมมาหนีน้ า, นามไม่ทันตายหมด ท, มทั้งกองทัพรวมทั้งทั้งชายวิระตุมน้าตายผลกรรมตามสนองผันเมื่อราชบังลางของตู๋ฝนว่างกระสับเจะชายชาตศัตรูโดยฐ า, านะก็เป็นทั้งหลานชายของพระเจ้าเปสนเป็นทั้งลูกเขยของเจ้าเปสนเพราฉะั้นเลย โอมงโอนฝไปขึ้นกับมคตอีกอาชาวศตรูก็เด็กแคลนดิแคลน่งอนฝนเามาครอบครองแล้วก็เลิกวางแผนการที่จะแพ่จักศาศารวรรดิไปคุกเอาคว้มวัชีคุบเอาความวัชีริ่แผนการอันนี้กำลังเตรียมวางกลยุทธ์จะเข้าโจมตีความวัชีซึ่งเป็นแคนอยู่ตรงกันข้ามกับแคลนมะคดคนณละฝั่งแม่น้ำไม่ไมีน้ำคงคาเป็นเป็นเขต เป็นแดนกัปอยู่คนละฝั่งไม่น่าเตรียมจะหุกขันวัชีเรื่องจะตีขันวัชีนี่น่ะเป็นเรื่องที่ทราบ ก, กันโดยทั่วไปแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงทราบแล้วก็ท่านหลายจะต้องเจตด้ว่าปีสุดท้ายท่านก็ชลชีพนะพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่มเมืองวสาลีเป็นเวลามาณเมือเกินประทับอยู่เวลาตั้งเป็นเวลาตั้งเกือบแปดเดือนโดยไม่ยอมเสด็จไปประทับที่อื่นใดทั้งหมด เพราะดูราวตัวหนูว่าพระองค์ตั้งข้ารา่ยไยจะต้องการขัน้นวัดชีให้พ้นจากไทยของพระเจ้าอาชาตัตรูด้วยความปรนานีว่าสับพังหลายในขั้นวัดชีจะเป็นอันตรายไปเนี่ยข้อความอันนี้ไม่ได้บีงในพุทธประวัติหรืในมหากริณิพานสูตรหรอกแต่ว่าเราดูเหตุการ์ก็ทําให้สนิฐานว่าควรจะเป็นไปคานองนั้นเพราะเมื่อเสด็จออกจาก มาคดแล้วก็ข้ามในน้ำพงคามุ่งเข้าสู่การวชีประทับอยู่ที่แควนวชีถึงหนึ่งพันสาเต็มๆในปีที่ประชาชนแปนะหรือว่าชิงหนึ่งพันสาออกคำสาละก็ยังสเสด็จเยือนเนอยู่รอบๆตําบลต่างๆในแควนวัชีเช่นประทับอยู่ที่พันธคามอํมทุคาโพ ค, คันครนี่อันเป็นตําบลต่างๆอยู่รอบๆเมื อ, มองเวสาลีไม่ไ ด, ด้ไม่ได้ดตั้งข้าวุธไทยจะเสด็จจากไปไง่ายๆ เมื่อพระองค์อยู่ประทับอยู่ที่มเมืองเวสาลีปราบใดพระชาอาชาศัตรูก็ไม่กล้ายกกองทัพมาเบียดเบียนชาววัตถีปราบนั้นเพราะว่าเกรงพระพุทธบารมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีอูเมื่อพระสัสดาประทับที่ใดก็นําทัณฑ์สุกมาให้กับที่นั้นไม่กล้าใครเบียดเบียนเขาจนกระทั่งภายในพรรษาสุขภายนั่นเองที่พระพุทธองค์ประทับจําพรรษาอยู่ที่ตําบลบ้านเวลุวะคาม อ, อันเรียกกันง่ายๆว่าตําบลบ้านไทย พระท่านจะไปตำมบลบ้านไผ่ตำมบลวิริวคามในพรรษานั้นน่ะพระองค์ได้ประชวนนักประชวนนักเพื่อที่จะเอาชีวิตไม่รอดแต่หากว่ามาตรในท่าริวไทยว่าถ้าเราจะมาปริบิพามเตี้ยในระหว่างนี้เป็นการนิรุควรงกัเราเรายังไม่ได้บอกกลาบรรดาพิพุที่เป็นอุปถามยังไม่ได้แจ้งให้กับคณะงสงฆ์ทราบเป็นทางการ แล้วอยู่ๆจะมาดักขันเช่นนี้จะไ ม, ไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นประโยชน์เมื่อมีความปริปิตกเช่นนี้แล้วพระพูทมีธระพาึรงได้ทรงใช้อิทธิบาทภาวนาขับไล่อ า, าพาททั้งหมดให้พลบัอันนี้เป็นปัญหาประเด็นสำคัญหนึ่งว่าที่ทรงใช้ที่เราทรากกันทูกไปว่าจเริ่มอิทธิบาทสี่เป็นการต่ออายุได้ขับไล่อ า, าพาได้นั้น อิทธิบาตสีนั้นเจริญอย่างไรเจริญในธรรมะอะไรเพราอิทธิบาตสนั้นเป็นอาการเป็นกิริยาเป็นอาการที่ขับไปเจริญจะ ต, ต้องมีธรรมอะไรที่เป็นถูกเข้าไปเจริญที่เป็นผลที่เป็นต้นตอหรือเป็นพื้นฐานรองรับธรรมะเก่าวคืออิทธิบาตสีที่เข้าไปเจริญในอันนั้นอันนี้เป็นกระเดินสําคัญที่น่าวิงดูฉัยมากเพราะว่าส่วนมากเราก็ทราบ่วไปว่า คงแค่อธิบาตตีอธิบาตตีต่อพระชนมายุทราบกันอย่างนี้แต่แล้วก็อธิบาตตีที่เรารู้ก็บอกว่าฉันฆาวิริยะจิตตาวิมังสาห้องกันเท่ากันได้ถ้าอิธิบาทอย่างนี้ฉันฆาวิริยะจิตตาวิมังสาอย่างธรรมดาพื้นๆอย่างนี้อิธิบาทแล้วคนที่กําลังลําพัดเขาก็อิธิบาตเหมือนกันนะเล่นไพ่อ่ะในวงราพัดอ่ะฉันฆ่าต้องมีความพอใจที่จะเล่นวิริยะภาคเรียนที่จะเล่นจิตต์ ความใส่ใจวิมังสาความใส่ตรอใจถ้อยทิบายต่างๆที่จะเอาชนะต้องพร้อมทีเดียวไมนะยัน น, นั่งหามหนึามคำ่ำถามวันถามคืนไม่รู้จักขี่ไม่ได้หรอกปวดท้งขี่ท้องเยี่ยวไปไม่ต้องของ้ า, าว้องน้ำทเครื่องกันไม่รูไม่รู้ขี่เยี่ยวหาหายไปไหนหมดในเวลารําพัฒนเนี่ยก็เป็นได้ทีนึงไงอทธิบาทก็เป็นธรรมะที่ต่ำไปนะถ้าถ้าเข้าใจอิทิบาทเป็นธํานอง น, นี้แล้วก็ก็เป็นการเข้าใจที่อิทธิบาทเป็นธรรมะที่ขึ้นขึ้นดับดัดเกินไป ความที่อธิบายที่ว่าในที่นี้นะ่ะไม่ใช่อธิบายตามที่ชาวบ้านสามัญชนจะเข้าใจกันอย่างนั้นคือไม่ใช่เพียงแต่ว่ามีความพอใจเคือฉันขะมีความภากเพียงคือวิริยะมีความมีจิตตะคือความใฝ่ใจ จ, จริงจริงมีมีมังสาคือการใช้คำยาไม่ใช่อย่างนั้นธรรมดาดาๆเพียงเท่านั้นไม่ใช่จะ ต, ต้องเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งกว่า น, นั้นและสูงกว่า น, นั้นซึ่งเราจะมวินิจฉัยกันในประเด็นนี้่าเราจะมาประเด็นมาวินิจฉัยก่อนว่าอะไรที่ว่า ก็จเริ่มปฏิบัติสนะีน่ะในธรรมะอะไรในธรรมะอะไรที่เขาไปที่พระองค์เข้าไปเจริญใช้อิสิบาิเข้าไปทําให้มากก็ไม่ให้มากในธรรมะอันนั้นนะ่ะธรรมะอันนั้นนะ่ะคืออะไรอันในข้อนี้สําคัญมากตอนอื่นจะยกพุทธภาสิข้อความในตอนนี้คือเมื่อในระหว่งพรรษาพนระอ น, นลุลละเป็นคนใกล้ชิดกับพระวิจิตเห็นเหตุการณ์หนึ่งว่าพระองคนะ์น่ะได้ใช้ ขันติความอดดันอย่างอย่างสูงอดดันต่ออาพาธอันนั้นแล้วก็คุณขับไล่อาพาธอันนั้นด้วยอิธิบาทภาวนาพอออกพันษาแล้วพระวันเย็ hmm. thin, นวันหนึ่งพระพุทธองค์ประทับสำลามให้อริยาบทอยู่พระอเนวุกเข้าไปพูนกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะธรรมะก็เป็นคนที่แจ่มแจ้งแต่ข้าพระองค์ในเวลานี้ที่ทั้งหลายก็เป็นที่มืดมัวแต่ข้าพระองค์ในเวลานี้นะไอ้ที่เคยแจ่มแจ้งก็ไม่แจ่มแจ้งเสียแล้วในเวลานี้การคิด ปัญหาธรรมะต่างๆทั้งนีเพราะขา้าพระองค์มาเห็นความดกดดั้นของพระกูมีพระพาซึ่งใช้ความดกดดั้นยิ่งนักต่ออาพาธอันแรงกล้าในระหว่างพรรษาแต่ก็ยังมีความหวังใจอยู่ว่าพระองค์ก็จะคงไม่รีบ ด, ด่วนมาละจากพวกพระสงฆ์สาวกไปเตี้ยที่ทำนองการาบคุณในทำนองนี้อ่าเมื่อกลับคูณในทำนองนี้แล้วพระพุทธเ จ, าจานน้าจึงสอนกัปปะอนุ์ว่าดูก่อนอนุน เอยังจะหวังอะไรในตัประทาคตอีกเล่าจรีละมันระาคตเนี่ยก็มีร่วงการผ่านวายมาด้วยแตกติดแล้วก็เหมือนเกวียนที่ขําครลาผุพัทงที่อยู่ได้ประทะประทัน์ใช้การได้จะด้วยลำไผ่ที่เขามาผูกตะไว้เกวียนอันนี้นจึงพอประทะประทันธแต่ก็เป็นเกวียนที่ขําครลาเต็มทนแล้วนะเคยจะจะหวังอะไรกับเรา ตัาขตสสะโคอานันดาจัตตาโรโอิทิปาดาภาวิตาภหูดีกะตายานีกะตาวัตถุกตาอนุทิตาบริทิตาสุส ส, ส, สมารัชาโคอากังขมโนอนันดาสัทาสโตกับฟังวาิเถยะกับโตวเ้างวาปิแล้วพระองค์ก็ได้กล่าวกล่าวคือกล่าว ํานองใจความบอกว่าดูก่อนนลอิทธิบาทสี่ตถาคตเจริญแล้วกระทาให้มากแล้วกระทาให้เป็นดุจยานกระทําให้เป็นดุจพจริให้ตั้งมั่นแล้วสังสมแล้วปราลบดีแล้วตถาคตนั้นเมื่อจำลองอยู่จะเป็นจำลงอยู่ได้ตลอดกันหรือเกินกว่ากันก็ได้ประจังนี้ความข้อนี้น่ะต้ก็ข้าประเด็นที่ว่าทรงใช้อิทธิบาทสี่เจริญในธรรมะอะไรข้อนี้เราก็ไปต่อไปหาหลักฐานที่อื่น ความระบุดบนชัดในมหาปริญญานูทานสูตรนั่นเองคือในมหาปริญญานูทานสูตรนะ่ะกล่าวไว้ว่ากล่าวว่าพระอนุว่ายัสมิงอนันดาเตมเ ย, ยตะท้าตะโตตัปนิมิตานังอัคนะสิการาเอกัจจานังเวเดนานังนิโรธาอนิมิ ต, ตมังเตโตตมาคิงอุปสมปัตสัพวิหารติทาสุตระูอนันดา ปัสมิ่สมยเยตรชากตัดสากายโยโหติแปลความว่าอ น, นุนสมัยใดตขาคตเข้าถึงเตตตสมาธิอันไม่มีมิมิทเขาไม่ทำไว้ในใจซึ่ง ม, มินิตทั้งตวงเขาดับเวทนาบางเหล่าแล่อยู่สมัยนั่นกายของตถาคตย่อมขาสุตัดอย่างนี้คือว่าเมื่อพระ อ, อ น, น์คหมบอกว่าเห็นที่เห็นอาการอดทนของขจุวิชุภาต่ออาพาธ ถ้าอารมณ์ก็ติดใจมิตกทุกข์ร้อนไม่สบายธรรมะที่เคยคบคิดอย่างแจ่มแจ้งก็เกิดไม่แจ่มแจ้งนะรู้สึกว่ามันมีดเมื่ใจเป็ทุกคนทุกแข่งบทหวังเป็นทุกคนทุกแข่งแต่ว่ายังข้อดีที่ว่าตราบใดที่เพรียงยังไม่ตรัสร่าลาพิสุโสถว่าจะไม่พานก็ยังเป็นอันหลังอยู่ได้แต่ถ้าชนาชีพของพระองค์คงวั่งยืนอยู่กับพระสงฆ์ต่อไปเป็นนิ่งวัญชาทุกต่อไปทำนองนั้นแล้วก็ พระพุทธเจ้าก็ให้สติกับพระอานุน์ว่าอย่าได้หวังอะไรในพระองค์มากเลยพระองค์ก็มีพระชนมายุสูงมากแล้วถึงแต่ผิดบริบูรณ์แล้วเหมือนกับเกวียนที่ข้คาค่้าจะต้องประทะกระทังในลำไผ่ให้เป็นไปได้ยุแล้วก็บอกกะพระอานุ์บอกว่าในสมยัยใดที่พระองค์จะเริญเจโตสมาธิอันหาในนิพพีได้เนี่ยคืออ น, นิมิตะเจโตสมาธิสมาธิที่เอาใจไม่ไปไฝ่ในนิพพีใดทั้งสิ้ เอาใจไม่ไปกําหนดในนิมิตใดๆทางิีดด้วยวอนิมิตเจโตวิมุตติอันเนี้อ่ะสมัยนั้นอ่ะร่างกายของพระพุทธองค์น่ะรู้สึกผาสุขสมรานุเกินนี่ก็เป็นพุทธพจน์ความตอนนี้เองแหละเป็นการตอบปัญหาไปในตัวว่าที่พระองค์หายจากอ า, าพาธได้เป็นเหตุที่มีพระชนมายุยั่งยืนต่อไปอีกตั้งสุกยืนอยู่ได้นั่นนะ่ะก็เพราะอนุภากของอนิมิตเจโต สมาธิเองอันนี้ตัจเจโตสมาธิที่พระองค์จะเริ่มทำให้มากแล้วก็หมายความว่าถ้าหาพระองค์ใช่ที่บาตรสีให้เป็นไปในอันอันนี้ตัจเจโตสมาธิอยู่นืนอ้ อ, อเนื้ออบรมให้มากทําไม่ทําให้จนจนขึ้นอบรมเป็นให้มากจนเวลามันนานแล้วถ้าพระองค์จะปรารถนาให้มีพระชนมชีพยืนทั้งหนึ่งกันหรือยิ่งกว่าการก็เป็นไปได้ คำว่าการนุ้นุ้งนุ้งหวกับการคำนี้เนี่ไม่ใช่อายุการของโลกนะ <S 2> <S 2> <S 2> ไม่ใช่เป็นอายุชีวิตมนุษย์เป็นการของชีวิตมนุษย์ไม่ใช่อายุการของโลกถ้าอายุการของโลกถามว่า ก, การหนึ่งน่มีกี่ปีตามคติาศาสนาพราหมณ์บอกว่าหนึ่งกัรมีถึงสี่พันกว่าล้านปีเป็นหนึ่งกันสี่พันกว่าล้านในาศาสนาพราหมณ์บอกว่า กันมเป็นภาษาทยก็ติดถ้าเป็นบาหลีก็เป็นกัปกัปหนึ่งนะมีอายุตามคติของพราหมว่าสี่พันกว่าล้านตีแหม่มันนานมากตั้งสี่พันกว่าล้านโลกเรานี้อ่ะเพิ่งจะมีมนุษย์ก็เราวๆสัาากร้านตีกว่ามันนี่เองคุณยจะมีมนุษย์โผล่ขึ้นมาในโลกที่หน้าตาละไม้คล้าย ค, ายคายืนไปทางมนุษย์เนี่ยมีปะมาณ้านกว่าตีมานนี่ และหน้าตามาเป็นขึ้นคนขึ้นเงี่ยเรี่องบรรลุลานอนก็เมื่อห้าแสนตีมานี้เพ่นจะมีหน้าต า, าเหมือนพวกเราก็เมื่อราวไม่สองแสนตีมานี้นั่งหน้าตาอย่างเา่าเมื่อวานนี้แต่อายุของกัปหนึ่งถึงตีพันกว่าล้านตีคิดตัวตีว่าอายุมากแค่ไหนตามคติของพราหมณ์แต่ตามคติของพุทธเราจะคำนวณอายุของกัปหนึ่งน่ะแม่ยากท่านจึงมีข้ออุ ป, ปมาว่าเหมือนกับท้ามหาธมพระธมเนี่ย ร้อยปีก็เอาผ้าตระบที่ทอด้วยใยบัวมาปัดยอดขเขาแมกซูเมนแกล้งหนึ่งปัดแถวๆนะผ้าใ ย, ยบัวปัดแกล้งหนึ่งแล้วก็ขึ้นไปพม่าโลกร้อปีมาตัดอีกหนึ่งจนกระทั่งยอดเขาพระซูมเมนะร่าเรียกเสมอแต่พึ้มาหาสมุเป็นหนึ่งกับไม่ทราบวันที่ซสีสสเดือนเป็นอัตราไม่ประมาณไม่ได้เป็นอสงไขายนับปีก็ไม่ได้เนี่ยเป็นอันว่านานแสนนานนันหนึ่งกับ น, นะว่างั้น นี่เป็นโลกจะกลับปะกลับปะของโลกอายุของโลกยุคหนึ่งยุคหนึ่งพอพ้นปลับหนึ่งก็มีการทําลายสิ้นยุคสิ้นกันหรือสิ้นกับเช่นเกิดกลับชิปหายเพราะไฟบังกจับชิบหายเพราะลมบังกจับชิปหายเพราะน้ําบักจะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่โลกแตกที่ไม่งาวโลกแตกโลกแตกทีหนึ่งก็กลับหนึ่งชิปหนเนี่ยโลกเราที่เราอยู่เนี่ยแตกเป็นเกลื่อนเกลื่อนจุนม่จุนเป็นกลับหนึ่งว่างั้น เระนั้นในการที่พุทธพจน์ที่บอกว่าจะรู้ปฏิบาติสี่อบรมให้มากทาให้มากทําให้เชี่ยวชาญทําให้เต็มชิมจะมีอายุกับหนึ่งยี้ยินกว่ากับคําว่ากับในที่นี้หมายถึงอายุกับของมนุษย์อายุกับของมนุษย์ในสมัยนั้นน่ถือว่าใครมีอายุถึงร้อก็ประเสริฐนักหนาแล้วกําหนดอายุถึงร้อยหรีร้อยเล็กน้อยก็เป็นของกระเสริฐนักหนาแล้วอายุของคนถอยลงมาเรื่อยกระทั่งที่ปัจจุบันกําหนดเจสิกว่าปีถึงปัจจุบันนี้นะ ใครอายุถึงเจ็ดสิบกว่าปีและตายก็เป็นิูลราบชีวิตเขาผู้นั้นแล้วไม่ต้องเสียใจว่าเกิดอายุสั้นไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเป็นอายุ ก, กับปะประมาณอายุขาแห่งสัตว์ในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งกันอย่างนั้นฉะนั้นวิถีการน่ะใครอายุประมาณร้อยนิดกูกว่าร้อยบ้างเล็กน้อยต้องเป็นของประเสริฐเป็นมูลยราบแล้วเพราะฉะนั้นในที่นี้ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านจะได้อิธสระสีตรงไปใน อนิพตเจตสมาธิให้มากก็อย่างมากยืดอายุพ ร, พระองค์ต่อไปอีกสักยี่สิบปีหรือยี่สิบห้าปีเช่นว่าเป็นร้อยร้อยขวบหรอร้อยห้าปีอาจจะมากกว่านั้นอีกนิดหน่อยแต่ไม่ใช่ว่ามีอายุกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ไม่ใช่นี่เป็นอายุชีวิตัเป็นการกำหนดเขตในข้าง น, นั้นเพราะฉะนั้นแหละเราก็ได้ความว่าถือพระองค์ตรัสให้จเจริญอิทิบาทสี เป็นไปในอันไม่มีตาเจโตวิมุตตินี่แหละใครจะเรีในอไม่มีตาโตโตสมาธิให้มากแล้วคนนั้นจะอาศัยอามาสมาธิเนี่ดับอาพาธดับพุทโเวทนาทางกายได้หมดแล้วก็เป็นการเปลี่ยนเซลในร่างกายขึ้นใหม่หมดเช่นว่ามีไอเซลล์ที่มันจะตายไปบ้างแล้วมันเจ็บปวดอะไรต่างๆเป็นสาเหตุก็เปลี่ยนใหม่หมดเชสด์เม็ดโลหิตในร่างกายใหม่หมดเลยทีเดียวสรีระต่างๆเป็นของใหม่หมด ร่างกายก็กระปีก้กระเเจวมีพรรยากำยำอาจจะมีอายุยืนต่อไปอีกตั้งหลายปีเป็นการต่ออายุตอนี้อาจารกะถาท่านแก้ความต่อ น, นี้ว่าอย่างไรแก้ข้อความตอนนี้ในสุม망คะระวีราปีนี้ท่านแก้ความบอกว่าอ่าได้แก่การเข้าพระยสมาบัตินะได้แก่การเข้าเจคําว่าเจโตสมาธิที่ไ ม, ม่มีนิมนะิตอ่ะคืออ น, นุมิตเจโตสมาธิเนี่ย ได้แก่การเข้าพระสมาบัติอชื่อว่าเป็นเครื่องปรุงชีวิตให้ดำรงอยู่ได้โพพระสมาปัฏิธรรมโมปิชีวิตโตตั้งข้าโรว่างั้นแล้วตอพระอธิกาจารย์ท่านก็ตั้งเป็นคําถามขึ้นว่าก็พระผู้มีพระภาคนะ่ะไม่ได้เข้าพระสมาบัติในการก่อนบ้างเลยหรือตั้งปัญหาถามอย่างนี้เพื่งจะมาเข้าตอนที่เกิดอาภาพในพรรษาสุดท้ายที่อยู่ที่เวรุวคารนนั้นหรือแก่ว่า พระองค์ท่านก็เคยเข้าพระสมาบัติมาก่อนเหมือนกันแต่พระสมาบัตินั้นคือพระสมาบัติแต่ก่อนๆ น, นี้เป็นแต่คณิกะสมาบัติชั่วขณะไม่นานนะเข้าชั่วประเดียบประเดวก็ออกไม่นานนะมีอนุภาสข่มเวท น, นาได้เฉพาะเวลาที่อยู่ภายในสมาบัติเท่านั้นนะครั้น อ, ออกจากสมาบัติแล้ว เวทนาก็ยังสามารถครอบงำตรีระของบุคคลได้เปรียบเหมือนการทําท่อนไม้หรือกระเบื้องให้ตกลงในสระน้ำที่มีสาหร่ายอยู่เต็มความแรงของประมาณวัตถุที่ตกลงไปกระทบย่อมทําให้สาหร่ายแวกออกไปชั่วครู่แล้วก็กลับมารวมตัวปิดน้ํามันอีกส่วนสมาบัตใดที่เข้าโดยอํานาจแห่งมหาวิปัสสนาสมาบัตานั้นมีอนุภาพมาก สามารถุ่มเวคนาได้อย่างแนบเนียนสนิทอุปมาดังบุรุษที่ลงไปในสระน้าใช้มือเลยท้าแหวกกองสาหร่ายออกไปโดยกําลังแรงสาหร่ายพึ้นกระจายออกไปกว่าจะกลับมารวมตัวปิดน้าก็ย่อมมีระยะนานกว่านี่อธิบายอย่างนี้ในสุมาตระวิรยาศิีอธิบายอย่างนี้อาย่อะไรแปลความของคำอีนีหนึ่งนี่เงสุนสมมบาลีอาจจะฟังยาก แปลความอีกทหนึ่งก็บอกว่าคําว่าอนิมิตาเจโตสมาธินั้นที่พระพุทธองค์เข้าระนับอาภาธในพันษาสุดท้ายที่เวรุวาคามเป็นเหตุให้มีพระละกําลังตายมีพชนยืนยาวต่อไปจะทั้งมีพานอาปีหน้าก็เกิดจากอนุภาพของพระละสมาบัติเจโตวิมุตติเจโตสมาธิติมีนินมิติหแหละด้วพระละสมาบัติที่พระองค์เขา้าเข้าพระละสมาบัติอันนี้ตอนนี้ก็มีปัญหาบอกว่าเอ๊ะ ทำไมพระสุชาถึงจะมาเข้าตอนนี้หรือพระราชสมภพ่ะแต่ก่อนนี้ไม่เคยเข้าบ้างเลยหรืท่านก็แก้บอกว่าแต่ก่อนนี้เคยเข้าแต่เข้าแต่ละครั้งนะเข้าไม่นานเพราะว่าพระองค์อาจจะต้องมีกิจบรรเทนเกี่ยวกับบ้านบริหารงานประศาสน า, ภาในฐานะเป็นบรมศาสต า, ภาต้องออกไปสั่งสอนสัตว์มันมีเวลามาเข้าสมาธิ ท, ทีหนึ่งเป็นเวลาหลายเลือ ว, วันหรือเป็นเวลาติดติกันเป็นสัปดาห์สัปดาห์ไม่มีเข้าก็เข้าวเวลาชั่วนิดหน่อยเรียวกว่าคณิกะคณิกะ สมาบัติข้าพูดสมาบัติชั่วขณะก็ออกมาเพราะว่าภารกิจในฐานะเป็นรมรรมาตตาสดานะมีมากพุตธกิจที่จะต้องบรเทนประโยชน์กับโลกมีมากเพิ่มจะมาเข้ากันจินกันจังก็ตอนมากเข้ามันเข้านนานๆก็เข้าตอนที่เกิดอ า, าพาธในระหว่างพรรษาที่เวรัวขามเนี่ยในสรงนข้าวใช้เวลานานก็ต้องการอนุภาจสมาธิบรรณัปทุกเวทนาระะษัทความโลภไข่ไข่เจ็บต่างๆที่เกิดกับพระองค์ได้แล้วท่านก็เปรียบแบบว่า เหมือนกับคนเรานะมีบึงอยู่บึงหนึ่งในบึงนี่ยมีบัวเอ้ยมีไอ้พวกอ่าผื่ในน้ําบกชุ่มขึ้นไปไม่หมดถ้าเราพี่เอาต้อนอีกต้อนนึงโยนขว่างไปในบึงบอกไม่งก็ชั่วน้ําแหวกขึ้นนิดเดียวเพราะก็ต้อนอิดกำลังแรงมันน้อยเดินไปเนี่มันก็เสียงมันต่อมพราะอมน้ําก็แหวกไอ้พวกบัวเอ้ยไอ้พวกผในน้ําก็แหวกช่องให้หน่อยปรเดี๋ยวมันก็รวตัวกันอีกฉันได้ พระรามาบัติที่เข้าไปเดี๋ะดาวอันเป็นคณิกะนั้นระงับที่เวทนาได้เฉพาะในขณะที่เข้านะพอออกมาแล้วเวทนาตอนก่อนที่ระงับไปในขณะที่เข้ามันก็อาจจะรื้นกลัดมาหาได้อีกโรคภัยไข้เจ็บที่หายไปในขณะที่เข้าสมาบัตรก็อาจจะกำเริบขึ้นมาอีกง่ายๆครานี้ถ้าหาว่าเข้าพระราษรมาบัตรนานๆเข้านานๆก็ทำให้มีอานุภาพ เหมือนหนึ่งบุคคลที่มีกําลังกายแข็งแรงลงไปในบึงนั่นเลยแล้วก็เอามือเนี่ยตีน้ำแหวกใบบัวแหวกไอ้พวกตะไครนะ่น้ำแหวกไอ้พวกขื้นในนา้าให้ออกไปเป็นช่องด้วยกําลังแรงมือมือทั้งสองขา่าร้าะรอให้พวกบัวเอ้พวกขึ้นในน้ามารวมตัวก็เป็นเวลานานหน่อยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่ามหาอุปนันนั่นแหละคือพระสมาบัติที่พระพุทธองค์เข้าถลายอาภัณนะ มหาพัฒนาเนียคืออะไรอันนี้ก็มีปรากฏว่ามหาพัฒนาน่ะมีถึงสิแปดอย่าง18ดอย่างคือห น, นึ่งอนิจจารูปัตนาปรีชาตามเห็นวาาไม่เที่ยงสองทุกขารูปัตนาปรีชาตามเห็นว่าเป็นทุกข์สาอนัตตารูปัตนาปรีชาตามเห็นว่ามีไชตนลสี่ไม่ปรีชาในปัตนา ปรีชาตามเห็นเป็นเหตุให้เบื่อหน่ายห้าวิราคานุปัสตนาปรีชาตามเห็นเป็นการคลายราคะหกโลธานุปัตตนาปรีชาตามเห็นความดับสนิทเจสติิสัจคานุปัตตนาปรีชาตามเห็นความสลละคืนแปดขยานุปัตตนาปรีชาตามเห็นความติดเก้าวยญญาณุปัสตนาปรีชาตามเห็นความเสื่อมสิบวิปริณามานุปัตตนาปรีชาตามเห็นความแปร สิบเอันนี้มีตาในปรัสนาปรีชาตามเห็นกว่าไม่มีเครื่องหมายสิบสองอปันนิหิตาในาปรัชนาปริชาตามเห็นกว่าไม่มีที่ตัิสิบสามขุญญาตาในปรัชนาปรีชาตามเห็นคว่าไม่มีทิฏฐิสิบสี่อธิปัญญาธรรมะวิปรัสนาปรีชาเห็นแจ้งในธรรมคือปัญญาอันยิ่งสิห้ายถาภูตญาทัทสนะความเห็นแจ้งตจำเป็นจริงโดยยาน สิบหกอธีนวาใุปัสนาปรีชาตามเห็นโทษสิบเจ็ดปฏิสังขารุปัสนาปรีชาตามเห็นความเข้าใจกระจ่างสิบแปดสิวัตตานุปัสนาปรีชาตามเห็นความปราจากวัตต์นี่แหละยานัชตนะที่เป็นไปสิบแปดอย่างนี้เรียกว่ามหาวิปัสนากรากฏว่าอันิมิตะเจโตสมาธิที่พระพุทธองค์เข้าขับไล่อาภารต่อประชนอายุนั้นอยู่ในอันดับที่สิบเอ็ดเรียกว่าอันิมิตาในปรสนา ทรงไม่สิ บ, บาอย่างนี้ทรงใช้ประเทศซเเนี่ยความจริงใช่ได้ทุกประเทศใช้ได้ทุกขอ้อแต่ทรงเลือกเอาข้อหนึ่งมาใช้คืออนันนมีตาลุปทาสนาหรืออันิี้มีตัเจโตสมาธิเนี่ยมาเข้าเพื่อขับไล่ อ, อาาพาธเพื่อต่อบสนนมายุตนนี่อิธิบาตสีที่ไป เ, เข้าไปในเจริญในอันนิมิตัเจโตสมาธิน่ะเป็นอิธิบาตสามัญไม่ใช่ ไม่ใช่อิธิบาตธรรมดาสามัญถ้าเป็นอิธิบาตธรรมดาสามัญแล้วเราก็ผมว่าแล้ววงรำรำพัดเขาก็เขาก็มีกันได้อิธิบาตที่ว่านี้นะต้องเป็นอิธิบาตพิเศษนะอิธิบาตพิเศษเรียกว่าฉันทะสมาธิประธานสังขารวิริยะสมาธิประธานสังขารจิจตาสมาธิประธานสังขารวิมังสาสมาธิประธานสังขาร คือต้องเป็นอิธิบาตที่ประกอบด้วยสมาธิปาระพาทานสังขารด้วยไม่ใช่เป็นอิธิบาตเฉยเฉยไม่ใช่ฉันทะเฉยเฉยวิริยะเฉยเฉจิตตะเฉยเฉยวิมังสาเฉยเฉยไม่ใช่จะต้องประกอบด้วยสมาธิปาระพาทานสังขารถึงจะเป็นอิธิบาตที่ประสงค์ในที่นี้ถึงจะเป็นอิธิบาตที่มีอาลุภาในที่นี้ไม่ใช่อิพิบาตธรรมดาสามัญต้องประกอบด้วยฉันทะวิริยะจิตตะสมาธิ ที่ด้วยเป็นไปด้วยอํานาจแห่งแห่งแห่งแห่งสมาธิฉันพระวิริยะจิตตวิมังสาที่เป็นไปด้วยอํานาจสมาธิอย่างแน่วแ น, แน่อย่างมีอนุภาพมากเรีวยว่าชันพระสมาธิวิริยะสมาธิจิตตสมาธิวิมังสาสมาธิแล้วก็ต้องประกอบด้วยความแข็งแรงความทนทานความลงรงอยู่และความพินโยยิ่งความภัยบุ์แห่งปุสุลธรรมในสมาธิที่เกิดขึ้นเหล่านั้น ทานเรียกว่าประธานสังขารอันหลักฐานที่มานี้มาในบาลีสังยุตติกายในใ น, ในลักษณะที่อธิบายเป็นอิธิบาทสิที่ประสงค์ในที่นี้ที่ว่าเขาไปเจริญแล้วมีอนุภาพอย่างนั้นอย่างนั้นหมายถึงอิธิบาตในลักษณะยอย่างนี้จะต้องประกอบด้วยสมาธิอันเป็นประธานสังขารในทุกๆข้อตั้งแต่ทันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นระดับไปคราวนี้เมื่อออกพรรษาแล้ว ลงพชนมายุสังขารในเพนเดือนสามวันมาฆบูชาวันมาฆบูชานอกจากที่เป็นวันสาคัญที่เดียวว่าจะตระลงกระันนิบาศแล้วยังเป็นวันที่พระพุทธเจ้าลงพชนมายุสังขารคือตั้งค่าเป็นไครว่าแต่นี้ต่อไปอีกสามเดือนสถาคดจะดับขันสัปริได้ผานเพนเดือนสามที่ว่านี้ไม่ใช่เพนเดือนสามในปีที่พชนมายุแปดสิบไม่ใช่เป็นปีย่างค่ะแปดสิเอ็ดใคล่ะ ในปีพศ2540 น, น่ะผมนํานหลังเหตุการณ์แล้วว่ะต้นปีอยู่คแค้นโกศลเหตุการณ์เกิดขึ้นกับสกยาโลงที่วิทูธพักก็ไปทำลายสกยาโลงพอจวนจะเข้าพรรษาจะเด็ดมากราจะคืบแล้วก็ข้าไมไ่น้ําคงคาไปเข้าพรรษาที่เมืองเวสาลีเลยอยู่ที่เมืองเวสาลีถึงแปดเดือนรวบหลอกแค้นบัชีอยู่ถึงแปดเดือนออกพรรษาแล้วยังไม่คดเด็ดจากเมืองเวสาลีไ ง, ไง่าย สเสด็จประทับอยู่ที่อำเภอคามทันทุคามโูคันกภู ค, คันทรนอน อ, อยู่ในรอบๆประมูลต่างๆในมึงเวสาลีไม่เด็ดเสด็จพระมึงเวสาลีใหม่ๆตลอดฤดูหนาวในปลายปีนั้นในปีอายุแป 80, ดสิบฤดูหนาวนั้นพระองค์ประทับอยู่ที่แสงมึงเวสาลีโดยตลอดพอพ้นฤดูหนาวเข้าปีใหม่ปีอายุแ ป, ปสดสิบ็ดแล้วเสด็จออกจากพระราฉีเดินทาง ต่อไปนะเมื่อพระสุดเดชออกจากท่วัคชีน่ะทรงทำกิริยาที่เรียกกันว่านาคาวโลกคืออาการที่เรียกว่าดูอย่างช่างตูประเสรดดูนาคาวโลพพรทอดสะพักรับมาสู่และดูมึงเวสาลีแล้วก็ตรัสกับพระอ น, นุว่าดูก่อนอุ น, นการพัฒนามึงเวสาลีมั้นตถาคตครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเป็นประชินมนาทศนา ต่อไปนี้จะมีโอกาสดูมือเวสาหรือีกไปแล้วต่อไปแล้วอาการที่สุงแรดูมือเวสาหีืดัวนาคาวะโลหมือนช้างเผือกตัวประเสริฐแปลดูลดนาคาในที่นี้แปลได้หลายในแปลว่าประเสริฐแปลว่าช้างเผือกแปลว่างูใหญ่แปลสามไนยะคำว่านานาคาเนี่ยนานโคเนี่ยนาเประเสริฐนะช้างเผือกแล้วก็งูใหญ่แล้วแต่เราจะเลือก แล้วแต่ความหมายว่าไปอยู่กันในที่อะไรบ้างที่ทรงสแสดงนาคาวโลกนี่มีปัญหาว่าสแสดงทำใหม่มีพุทธประสงค์อย่างไรจึงตัดกรบพระอนุนเช่นนั้นถ้าเราดูเหตุการณ์หลังพุทธการแล้วเราจะเข้าใจความหมายเพราะว่าพอพุทธเจ้าลิพานในปีนั้นปั๊บกองทัพมะคตก็ยาตราบุกวัชีทันทีเลยทาลายพนวัชียึดมืองวัชีเป็นมืองขึ้นเลยพระเจ้าแค่ตรูพอ เสร็จเรื่องถวายพระเพลิงพระพุทธสรีละแล้วทัพมะคดก็พุ่งเข้าวัดชีทีเดียวตอนนี้ไม่ต้องเกรงใจใครแล้วพระพุทธเจา้าผนิพานธ์โดยแล้ ว, ลวพระองค์ตรัสด้วยความกรุณาต่อท่านวัดชีรู้อยู่กับผานุไทร์ว่าเมื่อพระองค์ละจากไปแล้ววัดชีต้องเป็นอันตรายจากทัพมะคดเป็นแน่แท้แล้วหนีไม่พ้นแล้วเป็นกรรมของสัตว์จะต้องหนีไม่พ้นวาระของกรรมมันมาถึงแล้ว จึงต่กระถางนุนว่าการแส่ดูแผ่นวัดชีที่มีความรุ่งเรืองเป็นเอกราชอย่างนี้อะ่ะครั้งนี้เน่ยเป็นครั้งที่สุดแล้วแต่ไม่ได้ตับคือจะให้ใครไม่เคยทางการเมืองซึ่งหลีกเลี่ยงทุกประการในการที่จะพูดปไปในทํานองให้ใครไม่กลัวเป็นการพูดอย่างการเมืองเพราะเพราะพระพุทธเจ้าท่านมีการเมืองท่านโลกแล้วไม่เอาแล้วไม่พูดการพูดการเมืองอ่ะจัดเข้าอยู่ในเดือฉาในกรถาอนะเนี่ย จริงปรับเป็นเพียงแต่ในย่าบอกว่าดูก่อนอานน์การดูมือเวสาลีของคาถาครั้งนี้เป็นครั้งสุดพูดเพียงเท่านี้เองเป็นความหมายแล้วแต่ใครจะไปคิดกันซึ่งเรามาตีความกันในปัจจุบันนี้ว่าการเล็งดูมือเวสาลีซึ่งเป็นอิสระรัฐมีความรุ่งโรจความเจริญมีเศรษฐกิจที่มั่นคงกระทั่งบนที่อิจฉาริษยาของท่านมาคดนะ่ะ จนเป็นเหตุให้ค ว, วันวชีต้องถูกทำลายจากมรค์น่ะเพราะความมั่งคั่งความรุ่งเรืองวชีแม้แต่พวกเจ้าวิชวีการแต่งตัวเครื่องประดับประดาวิภูซิตาภรณ์ประดับองค์ต่างๆมีความสวยงามปรจิตรักรันมากถึงขนาดพ ร, ระบรมสาดาจัด ก, กิจวิสุทั้งหลายว่าดูก่อนวิสุทั้งหลายถ้าทั้งทั้งหลายไม่เคยเห็นเท ว, วดาชาวดาวดวงเขาแต่งตัวกันยังไงละก็จงดูเสีย แล้วดูพวกจ้กวัชีนี่แหละแต่งตัวอย่างไรเทวดาดาวดึงก็แต่งตัวสวยงามอย่างนั้นนี่ความหมาย น, นี้เป็นการให้เห็นว่ามึงวัชีน่ะเจริญมึงขั้นไหนเนี่ยการแต่งตัวเป็นแฝงชั่มทั้งขนาดที่เดี ว, ว่าทรงยกย่องว่าเทวดาดาวดึงสวยอย่างไรก็พวกวัชีนก็แต่งตัวสวยอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เปรียบเทียบเป็นการข้อเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นการสสนอไปจากวัชีเนี่ยจึงได้ตรัสะ ว, ะ ว, ะวะ่าทรงแลดูวัชีครั้งนี้เป็นครั้งสุด เ, เป็นความหมายอย่างนั้นเมื่อออกจากวชีแล้วก็มุ่งมุ่งจะตั้งพระอทัยจะไปดับขันทพระมีพานที่กุสินาราในระหว่างทางก็ก่อนจะถึงบ้านมันละเนี่ยถึงกุสินาราเนี่ยได้ทรงแวะเมืองปาวาป้าวากับกุสินาราในทางโบราณคดีถือกันว่าสายเดิมของเมือง น, นี้เป็นเมืองเดียวกัน สมัมยก่อนพุตธกาลสองมืองี้เป็นมืองเดียวกันด้ยวยกับมืองกูสาวดีซึ่งปรากฏในบาลีมหาสคตันสูตรในที่กรณีกายที่พัฒนาถึงว่ามูงกูสาวดีนะ่ะมั่งขั่งมีควาอุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่ของพระเจ้ามหาจักรพรรดิน่ะต่อมามืองกูสาวดีก็ร่วงโรยไปตามความอนิจังของสังขาร น, นักเข้าก็ากลายเป็นแคนเล็กๆไปในที่สุดแยกเป็นสองเมืองมูลหนึ่งด้วยกวัูซินาราอีกมืองหนึ่งด้วยกวับบาวา เส้นทางเสด็จพุทธดำเนินของพระองค์ ก, ก็เสด็จมาที่เมืองปาวากนที่จะไปสู่กุสินาราระยะทางเดินจากปาวาไปกุสินาราก็เกือบเกวันถึจะถึงเกือบห่งวันถึงจะถึ ง, ม, ง, ถ ง, ถงมาประทับที่เมืองปาวาและที่เมืองปาวานี่แหละเรื่องสูงกรมัถธะก็เกิดขึ้นที่เมืองปาวานี่ในจุนพระกรมมารบุ แปลว่านายจุนทะผู้เป็นบุตรปนช่างทองสกุลนายจุนทะน่ะเขาตีทองขายเป็นช่างตีทองมีจิตทคาภูมิมน์พระกู้มีพระภาพพร้อมทั้งพิสุทสาวกให้มารับบิณฑบาตอาหารบิณฑบาตในวันรุ่นคือแล้วในคืนวันนั้นนายจุนทะไม่ได้นอนตลอดทั้งคืนจัดเตรียมขาชนิยะโพชนิยะเรื่องควรกินควรเคี้ยวควรดื่มดื่มละไว้ขมี้ขมัน ถ้าจะเลี้ยงผ้าเป็นการใหญ่ที่สูงตีตามพุทธเดนเนิน ม, มาเนี่ยมีจำนวนหลายร้อยลูกแล้วก็อินเดียในข้างนั้นไม่เหมือนประเทศไทยปัจจุบันนี้ประเทศไทยปัจจุบันนีต้ตลาดใหญ่โตอาหารมันต่างบริบูรณ์แต่ซื้อจะจับจะจ่ายก็ม่ายคนโบราณจะเลี้ยงผนะ้าเน่ยไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะตลาดไม่ใช่หา ง, ง่ายอย่างเดี๋ยวนี้พอออกจากประตูบ้านก็เจอของขายไม่มีของขายง่ายๆหรอกเมืองตาวาไม่ใช่เมืองใหญ่เมืองโตอะไรเมือ ง, งเล็กๆ เ, เพราะฉะนั้นใครเป็นเจ้าภาพทายกจะเลี้ยงผ้าจำนวนตัางหลายร้อยลูก ต้องเตรียมอาหารคืนยังรุ่มจริงๆไม่งั้นจะอาหารไม่พอเลี้ยงพระติมคืนยังรุ่มทีเดียวกะเเกนเบ่าวไข่มาหุงต้มกันปรุองอาหารกันตเตรียมไว้เพื่อจํานวนให้เหมาะกับจำนวนสงฆ์ที่จะมารับเป็นวันรุ่งคืนปรากฏว่าในจุนนอกจากขาธิเยะโพธิเยะแล้วนายจุนท่าได้ทําอาหารขึ้นชนิดหนึ่งอยู่นอกงบขาธิเนยะโพธินยะเรียกว่าสูกรมัดถวะ ทำาไว้ทำเอาไว้จำ น, นวนมากให้พอกันจำนวนพิถุสงทีเดียวทำเอไว้สูกรัมัทวะนี่คืออะไรเรามาเข้า ป, ประเด็นปาประคาถาในวันนี้แล้วว่าสูกรัมัทธะนี่ได้แก่อะไรถ้าแปลกันอย่างไรตามตัวง่ง่ายไม่ต้องคิดอะไรให้หมันตัวสมองสูกรัมัทวะก็แปลว่านี่หมู อ, อ่อนเลยอ่า ส, สูกระกคือสุกรนั่นเองมัถวะคือความอ่อนโยนความนุ่มมิ่งความอ่อนนุ่ม สุกระสมที่กัมมัททวะก็แปลว่าเนื้อหมูที่นุ่มนิ่มนู้นมือที่อ่อนโย น, นเนื้อหมูอ่อนเนะี่ยสุกระมัถละถ้าแปลอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าปัญหามันก็ต้องมีมีจดุดได้คือมีปัญหาว่าเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าถึงห้ามไม่ให้พิสุลูกอื่นฉันสุกระมัทวะนี้ เพราะเหตุใดพระ อ, องค์จึงมัดสั่งให้ในายจุนทะนําถูกรมาทะวะนี้ไปฝังเสียไปทําลายไม่ให้เป็นอาหารแก่คนแกสัตว์ต่อไปเพราะเหตุใดจึงตรัสกันายสุนทะว่าถูกรมาทะวานี้อตถาคตมองไม่เห็นผู้ใดผู้หนึ่งในโลกทั้งเทวดาทั้งมารทั้งพรหมที่จะกินเข้าไปแล้วย่อยได้เว้นแต่เราตาขาคตทผู้เดียวจึงจะย่อยอาหารชนิดนี้ได้ทำไมถึงกลับถึงเช่นนี้ เป็นอาหารอะไรรู้ถ้าเป็นเนื่อววอ่อนธรรมดาทำไมถึงตัดอย่างนี้มัะเด็นนี้เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องวินิจฉัยพระอัตกถาจารย์มีสองท่านดกันและปรากฏในสองคำภีที่กล่าวถึงหนุ่สุกรมถวะนี้แล้วก็แปลกอีกอย่างหนึ่งคือว่าสุกรมถวะนี้ปรากฏที่มาที่นี่แห่งเดียวมนพรไตรปดฎกแปดมูลปีพันธมขันไม่ปรากฏที่อื่นอีกเลย มาเจอที่ในมังอ๊ะก็ได้มีพาสู่ตอนเนี้อะตอนเดียวเท่านั้นเองในที่มาอื่นๆแล้วไม่เจอคำคำนี้เลยอัศจรรย์มากเป็นอาหารพิเศษประหลาดเกดิดพระอักถรคาจารย์ในภุมังคระวิราสีนีคือท่านพุทธคูสาจารย์เองก็ให้ไยยะอธิบายคำว่าสูกรามัถวะเนี่ยเป็นสามไยยะท่านก็ไม่แน่ใจนะว่าสูกรามัถวะคืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ได้แก่อะไระคุณสมัยแต่งอักถรคานาะ เป็นสมัยใกล้พันปีหลังพุทธปรีพันธ์แล้วพันปีแล้วก็ท่านครูแตนคือทา่านพุทธครูสาจารย์ทา่านกบเนชาวอินเดียเป็นชาวขัณฑมคตท่านยังไม่แน่ใจเลยว่าชุกธละมมถวะคืออะไรคิดดูสิแล้วพวกเราสึ่งหา่างจากสมัยนั้นอีกตั้งพันห้าร้อยปีเนี่ยจะไปแน่ใจได้ยังไงเราก็ต้องอาศัยการวินิจฉัยว่าข้อความใดที่ใกล้ต่อเหตุผลก็น่าจะวินิจฉัยโอนเอียงไปทันข้อความนั้น บัดนี้ก็เลยนำมติในสุมังคระวิลาสินีมาให้ท่านทั้งหลายฟังในสุมังคระวิลาสินีน่ะท่าพุทธโฆษาจารย์ชักทีชักในยะมาสามทางว่าหนึ่งสุกระมัถวันตินาติสรุนัตสะนาติชินนัตสะเอกเชทกัตสะเอกเจตสุก ร, ระสระปวัติสมังสาระแปลความว่าสูกระมัตวะนั้นได้แก่ประวัติสมังสะของสุกรที่จเจริญเต็มที่ ซึ่งไม่นุ่มเกินไปไม่แก่เกินไปนี่อตังกีระผู้ดุมเจวะินิดธรรมจัโพติตังปฏิยาดาเตวาาเตวาสุกังปจเปตวาติอโตโได้ยินว่าเนื้อนั้นเป็นของอ่อนนุ่มสดิทดี อธิบายว่านายจุนทะให้ตกแต่งเนื้อนั่นปรุงให้เป็นอาหารชนิดดีมติที่หนึ่งแปลว่าสุกรรมะทวะได้ในในนเนื้อหมู อ, อ่อนมีมติหนึ่งละว่านายจุนทะาน่ยหาเนื้อหมูอย่างดีได้กนเนื้อสุกรที่ไม่แก่ไปถ้าแก่เกินไป เ, เนื้อเหนียวเคี้ยวยากเป็นเนื้อหมูอ่อนชนิดดีมาปรุงให้อร่อยด้วยสุกรมะทวะนี่เป็นนัยยะที่หนึ่งนัยยะที่สอง ทันชักว่าเอเกเอพนันติสูกรมั ด, ดวันติปะนะมุดุโอดนัคสะปัญจโครสะยูสะปะวัจนะชิ ท, ทิวิชานัคสะนามเมตังยถาควพปานังนามะปากนามันติแต่แปลความว่าแต่อาจารย์บางพวกกล่าวว่าบทว่าสูกรมัตวะนี้เป็นชื่อแห่งวิธีปรุงข้าวอ่อนด้วยเบญจโครส เหมือนชื่ออาหารที่ปรุงให้สุกสําเร็จแล้วชื่อว่าข้าวบารบาร์ถ้าถือตามมนย่ที่สองนี่สุรรกราชวัฒน์ก็ได้แก่ข้าวฝาลีผูงเป็นน้ํานุโคข้าวชนิดน็ดอ่อนอริดอร่อยมากแล้วก็มาผูงเป็น้ํานุนโคลผูนให้อร่อยเนี่ยเวลานี้ในอินเดียยังกินกันอยู่ข้าวแบบเนี้ยข้าวผีหูงโดยน้ํานุนโคเนี่ยอร่อยจริงๆผมเองก็เคยรับประทานถือว่าผู้มี้เปชาอินเดียในประเทศไทยนี่ผูงนี้กิน บอกว่าอร่อยมากแล้ววันนี้เราด้วยสูกระมาทัรวะเพราะฉะนั้นถ้าคืงปัญญ า, ายาที่สองเนี่ยสูกระมาัรวะเนี่ยก็ได้แก่ข้าวอ่อนที่หุงในนมโคที่ดีกันหมดข้าวป่านเนี่ยหุงจะเป็นบุญจะโครดอะไรยอร่อยปรุงใส่หยะน้ําตาลหน่อยใส่เนยหน่อยใส่ น, สนมหน่อยนะอร่อยดีทั้งมันทั้งหอมทั้งหวานอร่อยเนี่ยด้วยสูกระมาัรวะเป็นปัญญาที่สองท่านท่านชัดปัญญาที่สามาอีก ว่าเกจิพนันติสูกรมัทวังนามะรสาณะวิธิตังปณะรสาณะสัทเทอคัตชติตังจุนเดนะภควติบริมิพานังณขรยาติรสานังปฏิยักษันติแปลความว่าแต่อาจารย์บางท่านกล่าวอีกว่ารสาณะวิธีชื่อว่าสูกรมัทวะรสาณะวิธีนั้นมาในคำภีรสาณะศาสตร์ นายจุนธะตกแต่งรส า, าญนะวิธีด้วยหมายใจว่าพระผู้มีพระภาคอย่าปรุงต้องปริมิพานเสียเลยเออในย่าที่สามนี่ก็สำคัญเหมือนกันในยะาที่สามได้แก่ ก, การผู้ง่ายเป็นยาสูกรัมทวะคือยาโอ้สดชนิดหนึ่งซึ่งนยจุนระตั้งใจปรุงขึ้นถวายแต่พระผู้มีพระภาค ด้วยความตั้งใจว่าขอให้พระองค์ฉันโอสถนี้แล้วจะได้ไม่ทรงมีทานแล้วก็ปรุงตําคคำภีรสาญศนัสสัดเล่นแรกแปรธาตุปรุงตัตําคคำภีตําหลับพิเศษปรุงถวายเพื่อจะรักษาพระโอษของพระผู้มุนทภาเออเป็นสามในยะด้วยกันแล้วก็พระพุทธครูสาท่านก็ไม่ตัดสนินไปว่าสูคราชทว่านี่คยคุยไม่ได้แก่อะไรนี่เป็นสามใยะในปรากฏที่มาในคำพี ผู้มังคราเวลาที่ีอัธกถาแห่งมีคณิกายตอนแก้มาฮัปริดิ่งพานสูข์คำที่ที่สองคือคำที่ปรมตรัตต์ทีปณีท่านผู้แต่งคือท่านธรรมตาลาจาริยะเป็นคนรุ่นหลังธัมพุทตคูสาจานเล็กน้อยแล้วก็ท่านกับป็นชาวอินเดียด้วยกันท่านก็ไม่แน่ใจวุ่นวายสูกระดมทว่ได้แกอะไรท่านได้ให้ไม่ยะแปลออกไปจากธัมพุธโคูสาอีกคือท่านให้ถึงนสี่ข้อพ้องกับธัมพุทตคูสา ก, ก็มี ที่แปลกไ้ก็มีข้อที่หนึ่งสุกระมัถวันติสุก ร, สก ร, ระสละมุดุสินิทงังสวัตตมังตะติมหาอัจฉริย่างวุตังแปลความว่าท่านกล่าวไว้ในมหาอัจฉถายะว่าคำว่าสุกระมัถวะได้แก่สวัตตมังตะของสุกรที่อ่อนนุ่มสนิทเดชสวัตตมังตะนะหมายถึงมังตะที่สมควรแก่พระจะ บ, บริโภคไม่ใช่อุศิตตะมังตะ นะป ะ, ะประวัตมังศะก็ิ์เราลงเนื้อที่สมควรสําหรับธาตุฉันไม่ใช่อุทิศสมังศะไม่คือไม่ใช่เนื้อที่เห็นเข้าข่าด้วยตัวเองได้ ย, ยินเข้าข่าด้วยตัวเองสงสัยเข้าข้าตัวตัวเองพ้นจากมุนทินสามข้อนี้เรียกว่าปวัติมังศักดิ์เนื้อที่ควรในการบริโภคตามใายะนี้น่ะท่านธรรมตาท่านธรรมตาลจาริยะท่านชักว่ามหาคัมภีร์มหาอัจฉริยะ เป็นอัตกรถาลุ่มเก่าก่อนอัตกรถาที่พุทธโคตาแต่กล่าวว่าสูกรธรรมถวะนั้นได้แก่เนื่อมูอ่อนเนี่เป็นกวัตตมังตะมนยะที่สองเกจิปณะสุกรธรรมวันเตะนาสุกรมังนะสังสุเครหิมุดิตะวังตะกลีโรติวดันติแปลความว่าแต่อาจารย์บางเหลา่ากล่าวว่าคําว่าสูกรธรรมถวะนั้นไม่ใช่เมื่อสุกร หากเป็นหน่อไม้ที่สุกรชอบริงเออมตินี้เขาทีเป็นหน่อไม้ที่หมูมันชอบคาว่าสุกระมัดวะเนี่ยถ้าจะแปลกันอีกในหนึ่งอาจจะแปลว่าอ่อนสําหรับหมูอ่อนสําหรับหมูก็ได้แ ล, ออ แ, ลแล้วจะแปลว่านื้อว่อ่อนแล้วเราจะแปลกลับมว่าอ่อนสําหรับหมูคือนื้มันอ่อนนุ่มสําหรับหมูจะกินก็ได้แปลได้ตามอายะนี้ว่าอ่อนสําหรับหมูคืคออ่อนนุ่มสาหรับหมูจะกิน ถ้าตามมายะนี้แล้วอาจารย์คณะที่สองที่กล่าวว่าถูกระมาถวะนั้นได้แก่หน่อไม้ที่หมูชอบกินเข้าทีเนื้อตังเข้าทีทั้งรูปตับเข้าทีทั้งรูปคว า, ามหมายด้วยนะเราจะวิเคราะห์ตากคำว่าถูกระมาถวานี่เอาว่าดได้แก่อ่อนสลับหมูละก็วิเคราะห์ในแนวนี้ลกะก็แล้วหมูไม่ชอบกินอะไรบ้างะ่ะหน่อไม้หมูก็ชอบไม่ใช่ไม่ชอบหน่อไม้เนี่ยอาจจะเป็นหน่อไม้มางประเภทก็มั่งเป็นไปได้ไหมนี่เป็นนยะยาที่สอง ในย่าที่สามอันเยสุเกรห์มัตุตัปปเดชชาตังอหิชัตตะกันเตแปลความว่าอาจารย์บางหล่าวกล่าวอีกว่าตูเครามัทวะนั้นได้แก่เหตุได้แก่เหตุที่เกิดในประเทศที่สุกรหยิบย่เออในย่า น, นี้ก็เข้าที่เหมือนกันไอหิชัตตะอหิแปล ว, ว่าหนูชัตตะ ก, ก็แปล ว, ว่าฉัดคือรุ่ง ไอ้ทีฉับกระกาะนั่นนะปลว่าเหตุทำไมต้องไอ้ทีฉับกะแปลว่าเหตุสมที่แล้วว่าเหตุเพราะว่าถ้าแปลตามตามตามศับนั้นก็แปลว่ามีอาการแผลมีอาการแผลประดุกจะไม่เบี้ยอูอฉักะโดยความมอัฐะโดยลชนะหมายมีอาการแผรังไม่เบี้ยของหนูแต่ว่าโดยลรชนะ น, นั้นแปลว่าเหตุแปลว่าเหตุเ น, นี่ยมาตรนี้นะ ไม่คัมภีทางฝ่ายมหายานชาพุทธทางมหายานทุกสูร่รทุกประกรแต่ตามมตินี้ทั้งนั้นว่าเหตุเป็นเหตุชนิดหนึ่งซึ่งจีนได้ว่าจันทันเฉีวยือ้อภาษาจีนหลวงออกเสียงว่าจันทันสู้เออคือจันทันเฉวยื้อในภาษาแต่จิว๋วจันทันสู้เออเน่เป็นเหตุชนิดหนึ่งแล้วก็ยังบอกว่าเหตุชนิดนี้เป็นเหตุพิเศษนะเกในตนกก้นไม้จันเกิดกระไม้จัน ไม่ไ ด, ได้เกิดคุสีคงผ้าเกิดที่ไหนง่ายเกิดกระไม้จันนี่เป็นเหตุนยะที่สองที่สามที่สี่อัปเรตนะสุกระมัถวะนามังังเอกังรตายะตันติทะนสุแปลความบาแต่อาจารย์บางเหล่าก็กล่าวอีกว่าได้แก่เครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่รุงตามวิธีรัษาอย่างนะรษาอยรษาอย่างนะ ชื่อว่าสูกรมัทวะตังบิจุนโดตมารุปโตอัชชภพัควาปรินิพานิส ต, ตีติสุตตวาอเูวนามันนปริพุนชิตวาจิรตรังสุเทียติปัถุกิระชีวิตุกรรมยตายอดาติสิวะดันติแปลความว่าเพราะว่านยจุนทะบุรข่างท้องฟังว่าในวันนี้พระผู้มีพระภาคจากปริณีพานแล้ว จึงได้ถวายเครื่องดื่มชนิดนั้นเพื่อต้องการให้พระพู้มีพระภาคมีพระชนอยู่ได้นานด้วยความหวังว่าชไหนหนอขอพระศาสดาเฉลยเครื่องดื่มนีแล้วคึงดำรงพระชนอยู่ได้ไปอีกนานเถิดนี่นี่เป็นในยติสี่ตรงกับในสุมาลคระเวยรวราชินีเหมือนกันที่แปลความว่าได้แก่ยาทิ่ปรุงตามวิถีรษาญนาเวสเป็นยาชนิดหนึ่ง เพราะฉะนั้นตามมติในสองัมภี์เนี่ยเราก็ได้ความว่าแม้แต่พระโบราณอาจารย์ก็ไม่สามารถตัดสินลงไปว่าสูกรมัทวะนั้นได้แต่อะไรก็เามื่อเป็นเช่นนี้เราถึ่งเป็นปชิมาชนาตาชนห่างไกลจากสมัยท่านตั้งพันห้าร้อปีสมัยแต่งอาัจฉริยะหน้าพันปีหลังพุทหลังพุทธจารย์นิพพานแล้วห่างจากสมัยท่านอีกพันหร้อปีนะรวมท่างห่างสมัยพุทธกาลด้วยถึงสองพันห้าร้อปี จะวินิจฉัยคำวัาถุกรลมัฏฐวะอย่างไรในข้อนี้ผมก็อยากจะเสนอความเห็นของผมที่วินิจฉัยคำวัาถุกรลมัฏฐวะถ้าจะถือว่าถุกัรมัฏฐวะได้แ็่เมื่อหมูอ่อนแปลง่ายๆตามกฎอย่างนี้แล้วผมไม่เห็นด้วยที่ผมไม่เห็นด้วยก็ได้แต่อย่างนี้เนื่ถ้าเป็นเมื่อหมูอ่อนแล้ว ท, ธาธาธาทําไมเป็นผิดกับข้าศากระดาษทำไมถึงเป็นถึงทำไมถึงถือว่าเป็ผิดถือว่าถึงเป็นผิดกับพิสุกสูง ทำไมถึงพระองค์ตรัสบอกว่าเวา้นสถาคดแล้วไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งทั้งที่เป็นมนุษย์ทั้งทีเป็นเทพเจ้าจะย่อยอาหารชานิดนะนี้ได้ทําไมตรัสอย่างนั้นถ้าเป็นนู้ดม้ออ่อนก็ถ้าเปนนู้ดหม้ออ่อนจะเป็นอาหารอันเด็ดอร่อยพระกินได้ทํำไมต้องวัดสังเอาไปทําลายเอาไปฝังเสียเพื่อไม่ให้พระอุดนไปชั้นต่อไปตรัสกันมาจนท่าเล ย, ว, ยว่าสําหรับอาหารอื่นน่ะเธอจงอันคาดพิสูจอื่นๆเถอะแต่สาหรับถุกรมัทธวานี้อ่ย เธออันฆ่าเฉพาะเรากระถาพวกผูเดียวตัดกันในทุนทะอย่างนี้หรือนอกนั้นเธอจะเอาใบฝังเสียตัดอย่างนั้นบางท่านก็แกะบอกว่าอาจจะเป็นเนื้อหมูบูด ก, ก็มั่งมีเชื่อโรคมีตัวไอตัวมีพวกปูพญามีชื่อโรคอยู่ข้างในพระองค์ลูกเข้าชนนั้นจึงนักสั่งให้ไปทำลายเสียไม่พราอื่นจรินส่วนพระองค์เองน่ะยอมที่จะเสวยโดยไม ah ่เสียศรัทาในทุนทะว่างไงผมก็ไม่เห็นด้วย ถ้าแกไปเรื่องเนื้อหมูบุญเน่าเพราว่าฐานะในจุนท่ามันจะคนยากคนจนที่รู้มันจะคนยากคนจนเนี่ยเพราะรับอะรับอาสาเลี้ยงพระทั้งคณะที่มากับพระสุจริตจำนวนร้อยๆถ้าเป็นคนถานะยากจนคนแค่แล้วที่ไหนจะกล้ารับเลี้ยงพระจำนวนร้อยๆเนี่ยนี่แสดงเห็นว่าเมื่อในจุนท่าศัทธาจะเลี้ยงพระจำนวนร้อยๆขึ้นไปได้ฐานะในจุนท่าก็อเมืวงที่จะไม่ไปเพื้อคือของบุญของเสื่อมาถวายมาแกงถวาย เราคนไม่ทาบุญน่ะไม่รู้หรืว่าของมันเป็นเนื้อเนื้อดเนื้อเสียไม่รู้เหรอต้องรู้สิอย่างอะไเรรู้เือนรูสีเนื้อกรู้ลลายเนื้อนี่มันเนื้อสียหรือเนื้อบดูสีเนื้อก็ออกแล้วไม่กินข้าไม่ใช่ทาคนเดียวนี่แม่ครัวมีเยอะแยะคนช่วยงานเนี่ยทำอาหารแกงถวายพระเนี่ยจะเนื้อคุณต้อรู้เลยทีเดียวรู้ว่ามีใคซื้อเนื้อที่มาเนี่ยเป็นเนื้อหดูต่าอ่ะแล้วก็ใครมีทรจะเป็นเนื้อบดเนาทำมาที่อุตส่าห์แกงถวายพระอีกเพราะฉะนั้น ปัญหาเรื่องว่าไปเอาเนื้อหมูเสียมีชื้อโรคมาถวายเนี่ยเป็นอันพับฐานบ่มันต้องไปคํานึงถึงเพราะฉะนั้นตามรูปการไมนะ่ช่เนื่อหมูเน่ยก็จะแปลว่าเนื้อหมูแล้วเนื้อหมูตัดออกออกจากบัญชีได้แล้วมันต้องเอาเข้าบัญชีในแปลงวัตถุ ก, กรรมธรรมะแล้วก็มีมาอยู่ที่ประเด็นบอกว่าอ่าที่แปลว่าเห็ุอย่างหนึง่งที่แปลว่ายารกษาโรคอย่างหนึง่งนะ แล้วที่แปลว่าหน่อไม้ที่หมูชอบกินอย่างหนึ่งสามอย่างมาประเด็นที่แปลว่าหน่อไม้ถ้าแปลว่าหน่อไมก้ก็ไม่น่าจะเป็นพิษสงกับพระ อ, องค์อื่นที่จะฉันนะทำไมจะรับฟเอาไปสังถ้าพระ อ, องค์ฉันไม่ฉันแล้วจะเป็นเหตเพลิดเพกันเลิก็ไม่ควรที่สำหรับพระ อ, องค์เองวพระ อ, องค์อาพาธอยู่แล้วไม่ควรอาจจะไปถูกของแฉลงในอาหารนั้นเข้าแต่เท่า อ, อ, อื่นที่ดีดดดๆต้อะแยะ ทำไมทุกไม่เหตุม่ให้ฉันให้มันจึงท่าไม่ฟังเสียถ้าแปล ว, ว่าเห็ดเห็ดมันมีเข้าเข้าทีทุกวันนี้ก็มีเห็ดเห็ดพิษคนกินแล้วทั้งครอบครัวต้องเข้าโรงพยาบาลปรากุดข่าวในนักขุนทินบ่อยๆนะที่แปลว่าเห็ดเอาแกงเห็ดมาถวายให้ฉันพอฉันแล้วก็เกิดพิษข้าอย่างเงี้อ่อาจจะเป็นไปได้ในกรณีที่เป็นเห็ดแต่ถ้าเป็นเห็ดแล้วทนายจึงจนยจนึงนายจึงท่ไม่รู้เลยว่าเห็ดมันเป็นเห็ดพิษ พระอาวนจุนภาคไม่รู้พระองค์ก็ไม่ได้จะบอกกันจุนภาคบอกจุนภาคเห็ดนี้ไปเห็ดพิษนะเธอต่อไปจะทาอาหารถวายพระก็ตามรู้อพูดเธอจะกินเองก็ตามไม่ควรเอาเห็ดชนิดนี้มามานะเพราไปเห็ดพิษกินแล้วจะกเกิดเป็นอันตรายกับชีวิตนะถ้าพระองค์ไม่จกกับจักรพระองค์ควรจะสงเคราะห์จุนภาคบอกกันจุนภาคเลยว่าเห็ดนี้มีพิษบอกกันได้เลยนะไม่เนี่ยต้องเสียอะไรไมันเป็นการเชื่อถือเป็นการสุงเคราะห์มนุษย์จะได้ําไปจะได้รู้ตัวว่าอ๋อต่อไปนี้เรายังไม่เก็บเห็ดชนิดนี้แล้ว เรากินเองก็มีภายคนอื่นกินก็มีพายเป็นการเส้นชีวิตของขอ ง, ของคนไรที่ไม่สักเลยตับเอาไปตัให้ฝันเสียเพราะฉะนั้นลูกการอย่างนี้ไม่น่าจะเป็นเหตุปัญหาจริงๆ อ, อยู่ข้อสุดท้ายคือข้อที่บอกเป็นยารักษาโรคโดยวิธีรักษาเ ย, ย, ย, ย็นรักษาเย็นนเวสในคำวิธีราษาเยนาศาสตร์ของพระรามเขาเข้าทีข้อนี้เข้าทีมากหรือถ้าจะแปลว่าเป็นปันตะครูรถถูมในขวบาน เป็นข้าวบานก็ไม่สมควรถ้าเป็นข้าวอ่อนหูมีน้ำนมโคอร่อยฉันเลยซ้ำไปหุ่นน่ะนี่เป็นที่ตีไหนกินแล้วเป็นยาวชูกำลงังดีพี่ลึกละทำไมต้องห้ามในพระอื่นกินล่ะจริงอยู่ที่ปัญหาเรื่องรสาญาณนะผมสมัครใจจะเชื่อว่าสูกระมาทวะนี้คือยาครับในจุนภาคปรุง